ออเจริญพร่าโยมยาพี่น้องของคุณแม่จ่มโสมเด็ดอ่าอ่าทั้งที่นับถือทั้งหลายเนื่องจากวันนี้คุณแม่คุณยายจ่มโสมของเราได้ไปจากพวกเราแล้วนะซึงตรงกับ ลงตาได้ขึ้นมาที่เชียงใหม่พอดีมาอบรมธรรมที่เชียงใหม่ก็เลยมีโอกาสโอลี่เคยไปบวชอยู่ด้วยลุ่มหลานเคยไปบวชอยู่ด้วยก็เลยได้ยินข่าวว่ายายเสียแต่ก่อนก็เคยมาเยี่ยมเลยดอกเยี่ยงท่านโยพูดดีความจําดีมากคุณยายนะ อายุหลายแล้ว90เท่าไรแล้วเป็นเกีย้่ปนะีนวนนั่นละ่ะมันก็ไม่เชียงแน่นอนนะอายุเป็นเพียงตัวเลขหลายก็เอาไปไม่ได้กายของเรากายของเราก็ไปไม่ได้ไม่ไม่ว่าจ่ซับภายนอก ที่เราท่านทั้งหลายมีอยู่นี่แหละอ่ามีแล้วเอาไปไม่ได้พอล้มหายใจขาดท่านก็สร้างไว้มากมายให้ลูกให้หลานสืบทอดอาศัยต่อไปกายท่านก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่มองเห็นอยู่ที่เราเห็นรู้อยู่ก็เอาไปไม่ได้มันเป็นทรัพย์สมบัติของโลกมีแต่ข้าไม่มีายาง เอาให้หลานก็เอาให้ลูกก็ไปไม่ได้ให้หลานหลานก็ออกไปไม่ได้ให้ใครใคก็ไปไม่ได้มันก็ตกค้างอยู่บนโลกของเราพวกเรานี่แหละมีแต่ข้ามันยันทรัพย์สมบัติไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขามีแต่ข้ามันยันข้ามมันยันไปว่าความตายนี่จกักถ้าหากว่าเราเอา่าตายไปแล้ว ก็เอาไปไม่ได้เหมือนกับปู่สมพอส่อซัพน์่แหละใคยได้ยินไหมเขา เ, เล่าเรื่องปู่สมพอส่อซั์พอจะตาย ก, ก็คิดถึงทรัพ์เจา้าของก็เลยจิตไปผูกพันอยู่ที่ซัอ์อารมณ์คือพกของจิตวิญญาณเบียบเสมือนม่พื่น พบไหนพบคิดถึงทรัพสมบัติจิตก็เลยไปตายตกอยู่ในพกนั้นก็ไปเกิดเฝ้าทรัพสมบัติอยู่นั่นแหละแต่คุณแม่คุณยายของเราคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกท่านมีสติปล่อยวางอยู่น ะ, ะวันนี้จึงเลยมีโอกาสมาแสดงทำให้เราท่านทั้งหลายฟัง ดังคำภาษิตรมขึ้นต้ยว่ากุสลาธรรมาอุตสลาธรรมอภิญญาปตาธรรมาะจะพูดไปเป็นขอ้ขอๆให้ฟังไม่ใช่สวนให้คุณแม่จันโสมคนเดียวตัววิญญาณของแม่จันโสมยังไม่ไหนรับฟังอยู่ยที่นี่ก็ให้มารับเอา ฟังเอาแล้วก็นำไปเกิดไปขันเข้าสู่พระนิพพานที่นิมนต์พระมาแสดงทำหรือไม่มาติการให้กอเนื่องจากสมัยพุทธกาลนะมาสวดมาติการหรือสวดอภิธรรมสมัยพุทธกาลพระพระองค์ ทำปฏิหารนะยมะปฏิหารเสร็จใหม่ๆท่านก็ย้อนดูอดีตตงสัญญาณย้อนดอูอดีตพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ท่านแสดยงยงมะปฏิหารแล้วท่านทำยังไงอ๋อท่านพระพุทธมารดาของท่าน ไปรูวับนสวรรค์โอปป้าจิกะขึ้นบนสวรรค์ท่านจึงขึ้นไปโปรดเอาพระพุทธมันดาของท่านทุกอ ง, ท, กองทุกองบนสวรรค์ท่านคิดดังนั้นแล้วพระออกว่าออกจากพลังกำหนดสติเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ไปเทศโปรยเอาพระพุทธมันดานะ ขึ้นไปแล้วกว็ขึ้นไปถึงจะเอาอะไรไปเทสิจะเอาพระสูตรก็ไม่สมควรไม่คุ้มค่ากับ แ, แม่อุ้มท้องเจ้าของมาเขาจะมดาด่าอุ้มท้อง ม, มาเกาเดียนสิเดียน ออกภ า, ายในก็ไม่สมควรก็ได้เลือกเอาพระอภิธรรมพิฎกนะไปแสดงให้ฟังนะพระพุทธมารดาของท่านได้ฟังแล้วเที่ยวขึ้นว่าปุสลาธรรมาปุสลาธรรมาพระยาคตาธรรม า, านีน้พระพุทธมารดาของท่านได้ฟังเสร็จแล้วก็จิต บ, บรรลุเป็น พระโสดาปฏิผลฮัลล์ก็จะมีเสด็จลงมาขึ้นไปแวบเดียวเท่านั้นแหละบนสวรรค์ก่อนเข้าพรรษาลงมาออกพรรษาพอดีเทพจบออกลงมาออกพรรษาพอดีนิดเดียวเท่านะ้เวลารในสวรรค์กับเวลาในเมืองมนุษต่างกันมาลงมาก็ จากสวรรค์ก็มีเทวดาหลายพบหลายภูมิลงมาส่ง น, นะยังเรายังมีการประเทมีออกภกาษาตับบาทเทโวงลงมาจากสวรรค์นะเอกันหนึ่งน ะ, ะเนื่องจากพระ ที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในท้ำคูหาสมัยก่อนนไปฝึกสวดพระอทิธรรมอยู่ในท้ำสวดพระอทิธรรมอยู่ในท้ำอีกเยข้างเขาฟังไปฟังมาก็เข้าใจฟังด้วยความเพลิดเพลิน ฟังด้วยความเพิดเพลินปิตียินเ อ, อกจิตของอีกเกียข้างขาวนั้นเกิดปิติสุขเป็นสมาธิขาหลุดจากพนันท์ทังลงมาหัวแตะคอหักตายอีเกียทั้งหมืน่นหมื่นตัวในหกนั้นชาตินั้นนะวิญญาณของอีกเกีย ขึ้นไปโอปปาติกะอุบัติขึ้นบนสวรรค์นี่แม่เดี๋ยวฟังเฉยๆนะมีอันนี้สงสานะนะ น, ะ น, ะ น, ะ น, ะนะต่อมาญาติพี่น้องข อ, องผู้ายก็ได้อ่านได้ฟังอย่างที่องคการพูดให้ฟังนี่แหละเมื่อญาติพี่น้องผู้ใดคนสำคัญตายไปแล้ว ยิงนี่มันพระมาสวดธรรมให้หรือมามากติการให้ก็ขึ้นต้นว่ากุศลาธรรมาอากุศลาธรรมาอภิญญ า, าตานา่กันดังนั้นวันนี้จะมาสะแสดงให้เราฟังทุกท่านทั้งหลายฟังว่าทำไมกุศลาหมายถึงอะไรนรท่านบ่า อุศลาหมายถึงบุญหมายถึงกุศลอักุศลาหมายถึงบาปอกุศลอุศ ล, ลาแปลว่าบุญแปลว่ากุศลจาได้ไหมละ่ะอะแปลว่าไม่นะเนี่ยอักุศลาไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลคือบาปอพยากตาคือจิตที่อยู่นอกบุญนอกกุศล นอกบุญ น, ะนอกสุลเนะทุกเรียกว่าอภิญญาตาธม า, าคือจิตที่ไปถึงพระนิพพานเรียกว่าอภิญญาตาจิตอุสลานี้แปลว่าบุญแปลว่ากุศลหรือแปลว่าทางดงเนินเดินเข้าสู่พระนิพพาน วันนี้จินกลัวคุณแม่คุณยายชั้นสูงทองเราจะหลงทางหลงทางยังงอวอีกอีตายไปแล้วหรือไม่ตายเราทานมาแล้วอย่าลืมนะคุณแม่ เ, มเอ้ทานมาแล้วจินทานมาหลายแล้วตั้งแต่เกิดมาทานศีลภาวนานทำดำเนินเดินเข้าสู่ไฟใผ่านท่านจะ่ลรบสุสรา คือทางดำเนินเดินเข้าสู่พณนธานจึงนิมนต์พระมาบอกอีเขา้าใจไมหมล่ะน ะ, ะคุณแม่คุณยายก็ต้องเข้าใจญานิเขาจะไไหมไปไหนพวกเราฟังอย่างนี้ก็เข้าใจภานฉินภาวนาเนี่แหละคือทางอันเอดที่บุคคลแต่เต้าเข้าสู่พันธานทานเราก็เคยทานมามากต่อมากแนละ้ว ทานข้าวของฟองเงินทานอันนั้นอันนี้ร <c oughs> ักษาศีล <c oughs> เราก็ไปรักษาอยู่ศ <c oughs> ีลสามศีลสี่ใช่ไหมศีลห้าเมื่อกี้นี่ก็บอกไปแล้วบอกทั้งีคนใหญ่เลยรับศีล้นด้วยนะเราก็รับด้วย สิห้านี่แหละเป็นรากเหง้าของสินเป็นต้นของศิลสิล8ปดส10สิส 20, บี่สิบเจ็ดก็บรญญัตขยายออกจากศิลห้านี่เองต้นเหง้าของศีนก็คือสินห้านี่ก็บอกให้ภานรัฐเอาไปไปดีไปได้เท่าไหร่ก็ดี ช, ชั่วช้างควยถึงมูแลบินก็ยังดีกว่าไม่ได้ เ็นเวลาใจจะขาดแบบเดียวนะถ้าเราคิดถึงศีลศีลบริสุทธิ์ก็หมายถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทานศีลผู้ดใดให้ทานารักษาะศีลก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไ ง, ไง่ายๆเลือกุศลาดีบุญกุศลกุศล กุศลในศาสนา อ, าอา่ออุปศลาลก่อนบอกต้นอุปศลาไับบุญกุศลอกุศลาคือบาปอาุศลบาปอาุศ ล, ลคือฆ่าว์ลักทรัพย์ตพิติกในการพูดบทมัดแฉกินเหล้ามองสุรานั่นคือบาปอย่างที่บอกไปไม่อกีนี่ยเรื่จากการทำบาป ขาสนักทรัพย์อติภินิการนี่ถ้าไปทำมันเรียกว่าไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลคืออุศลาแปออกแล้วนะที่นี้นะอที่นี้นะอุศลานิกุศลในศาสนาพุทธนี่แบ่งออกเป็นห้าอย่างก็่ได้สี่อย่างไหมเคยได้ยินไหมนะ หนึ่งกุศลในาศาสนาแยกออกเป็นสี่อย่าง1นึ่งกามาวิจารกุศลสองลูปาวิจารกุศล3อรูปาวิจารกุศลสโลบุตรละกุศลเอ๊ะเข้าใจมล่ะลูปาวิจารกามาวิจรกุศล กุศลที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามโลกมีอยู่สิบเอชัน้นต้องเข้าใจอันนี้นะมาพูดวันนี้เจตนาจากให้รู้จักกุศลอบบ น, นี้แหละอ่ากามวาวนจอดกุศลมีอยู่สิบเอชัน้นอบบายจะพูงสี 4. ผู้ที่ไปตกอบบายจะพูก็คือผู้ที่ ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ก่อพฤติกรรมพูดโผดโมจิจิลล์มอสุลาไปตกอบายภูมสี่คือเป็นสัตว์ในลก1นึ่เปร2องสุลกาย3 ส, สัตว์เดียรฉัน4ถ้าผู้ใดทำไปฆ่าสัตว์ลักทัพย์ก่อพฤติกรรมทำผิดศีลผู้นั้นต้องไปตกบภัยภูมสี่ แล้วก็มีมนุษย์หนึ่งสลม์หกกา ม, มาไวจรภูมิจึงมีอยู่สิอดชั้นสำรวจเจ้าขอขาได้จะไปไหนกันแน่ใช่ไหมผู้ฆ่าสัตว์ลักทับประพึกกผิในกามพูดควรหมดเจ็กินเหลโม้มอสระ ต้องไปอยู่ภูมิในภูมิหนึ่งในสี่ภูมินี้เออเนี่ยคิดดูสิเราจะไปไหนถ้าไปถ้าแตกอันดับเหมือนกับคุณใหย่จะไปไหมจะไปไหนถ้าเราข่าสัญลักษณ์ทัพยทิิการเขาเรียกว่าอากิสานั่นแหะต้องไปตกอยู่อาบายภูมิถึงสี่ อุตละก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้ผู้ใดให้ทานรักษาศีลก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมนุษย์เป็นพวกก่างกาถ้าทำไม่ดี ไปอกุศลาเอากายไปแพทสารรักษาออกไปอวัยวุฒิถ้าแห่งทารักษาสีขึ้นไปก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขึ้นไปมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกอวัยวูมิสี่จำได้นะอกุศลอะมนุษย์หนึ่งเป็นห้าสวรรค์หกเป็นสิบเอ็ด ในกามาว่าจอนภูมิหรือป า, ารมาว่ายจอนกุศลในกุศลที่ท่องเที่ยวในการหรือการมาพบกามมาภูมิก็เดียวกันนะนี่สิบเอชั้นนี่หมายถึงบาปกุศลทนึ่งบนกุศลก็เพิ่มเนี่ยเข้าใจแล้วนะ จะไปอะไรคิดเอาดีๆจะไปสวรรค์หรือไปอบไรก็ภูมิที่นี่อ่านี่ที่นี่ก็มีลูบาวาจรภูมิลูบาวาจรภูมิภูมิที่จิตไปท่องเที่ยวอยู่ในพ ม, ม่าโลกเรียกว่าลูกพมนะลูบาวาจร ากามาวาจานุสลลูปาวาจาุสุนุสลนที่ท่องเที่ยวอยู่ในพมะโลกที่นี่ทำยังไงจึงจะได้ไปพ ม, มโลกเราจะเลนพเลืนชาติมาก็ได้ไปพมะโลกต้องไปภาวนานะภาวนาสมัชภาวนาทานศีลภาวนาใช่ไหมล่ะ จะไปพมโลกนีก็ต้องไปภาวนาภาวนาก็แปลว่าการจะทําภาวนาเอาภาวน า, วนาถ้าจิตสมบได้รูปฌานได้ไปฐมฌาน ต, ตาุติยฌานตติยฌานเจตุติฌานได้ฌานที่หนึ่งปฐมฌานจิต ก, ก็ไปโอปปาจิกะขึ้นบนพมโลก ชั้นแคหนึ 1, 2, ่งสองสามตูตีแปว่าสองตูตีย่ชาชันถ้าจิตของพู้ใดสงบลงถึงตูตียชาชันาแดดอันดับกีก็โออบาปฏิกะขึ้นไปบนพรมโล่อุบัติขึ้นนะโออบาปฏิกะไม่เลี้ยงข่าวยงหนา้าไมไ่มีอะไรโล่เประหยิบ ไปโอปปาจิกาไปอุบัติขึ้นบนพมะโลกเลยชั้นที่สี่ทีห้าที่หได้แ ต, ต่ตียะชานชานสจิตเมื่อธาตุแตกทั้งดัดจิตของเราก็ไปโอปปาจิกาขึ้นบนพมะโลกชั้นที่เจ็ดแปตตียะชนันหรือจัดดุจชะชันชันสี่ก็ไปอุบัติ ขึ้นบนพม่าโลกชั้นที่ส0บส1บอสอง่าเนี่ยนี่พมโลกมีส6บหชั้นนอกจากนี้อีกห้าชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีท่านเรียกว่าสุดทาวะสุดทาวะทาวะที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์มีอยู่ห้าชั้นอเวหาอัตปา สุทัสสาสุตัสสีกับอากาิธาอาวาเคือที่อยู่ของพระอนาคามีจะไปอุบัติขึ้นบนพมโรคชั้นที่12 13 14 15 16หสแล้วจะไปพนิทานบนพมโรคไม่กลับมาเกิดในท้องคนอีกพาอนาคามีแล้ว <c oughs> ไม่ให้คนมาทอดท้องอีกอถ้าเป็นผู้หญิงอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาเกิดอีกอาจากบทพบสุดท้ายพบนี้เราจะไปอนิพานบนภพโลกนี่เกิดจากภาวนาคือสมัก ภ, ภาวนาคือทำจิตให้สงบ อ, อายุของตน นานยาวนานมากอันทั้งหลายเอ๋ยเหมือนอายุของสัตว์ในโลกสัตว์ในโลกว่าในโลกลุงหนึ่งก็าอายุหนึ่งวันในสัตว์ในโลกเท่ากับเก้าล้านปีในเมืองในมุนกถ้าตกไปอบาลยภู น, นนะถ้าขึ้นไปอยู่พุทธมโลกหนึ่งวันในพุทธมโลกชั้นที่หนึ่งเท่ากับเกล้านปีเหมือนกัน กว่าจะหมดอายุของผมนานขนาดไหนยิ่งจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีนะสัตว์นรกของมันกันกว่าจะมาเกิดเป็นคนมียาขนาดไหนทให้เราเข้าใจอย่างนี้นี่เรียกว่าภาวนาสมถภ า, าวนาถ้านั่งอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้จิตสงบได้รูปชานก็ไปโอปปาติกะขึ้นบนลูปกคม ลูกผมมีอยู่สิบหชั้นต่อไปผู้ใดเข้าสมาธิทำจิตให้ลึกให้ว่างและเยียลงกว่า น, นี้ได้ได้อาลูกชาญเคยได้ยินไหมละ่ะนะมีเจ น, นะภาวนาอะไรยา้ได้ยินไหมอาลูกชาญอาลูกชาญมีอยู่สี่ชั้นนี่อากาสายัญญาเจ น, นะ จินญาญาณญาเจตนะอจินญญาณญาเตนามีวััญาณาสัญญาเตนะสี่ชั้นเรียกว่าอายมอายุลืนมากกว่านี้มหาพมนะขึ้นไปอยู่ชั้นนี้ไม่นดกลับมาเกิดง่ายกว่าจะหมดอายุของพมนะนี่หมดอายุของพมของสวรรค์ของเทพของสวรคของพม ก็ลงมาเกิดอีกยันไม่แต่เกิดอีกนะนี่ผู้ใดนี่เรียกว่ากามภพกามลูกภพลูกภพหรือกามมาวาจอนภูมิลูบาวาจอนภูมิก็อนเดียวกันลูบาวจอนภูมิก็อันเดียวกันหรือกามมาวาจอนกุศลลูบาวาจอนกุศลอลูบาวาจอนกุศล ข้อันเดียวกันนะพบแปลว่าที่เกิดที่ตั้งภูมิแปลว่าภูมิจิตภูมิสติปัญญาให้เราเข้าใจอย่างนั้นภูมิสติปัญญาอยู่ในภูไหนภูมิไหนก็ไปเกิดอยู่ที่นั่นนี่เรียกว่าสามแดนโลกธาตุเคยได้ยินไหมวนะ่าสามแดนโลกธาตุฮะกามโลกลูกโลกและลูกโล ก, โลกสต่ตั้งอยู่ในสามแดนโลกธกาตุ มีอยู่แค่นี้ที่เกิดของสัตว์ทั้งหมดกามวัจร1สิบเอ็ดลูบาวัจร1สิบหกเต็มเท่าไหร่ฮะเยี่ยมเจ็ดเจ็ดอ่าแล้วก็อลูบาวัจอนุษลีเต็มเท่าไหร่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดหกสามสิบเ็ดู เป็นที่อยู่ที่ตั้งของสัตว์ทุกอย่ายเกิดเป็นแค่นี้เยนใหต่ใจเกิดเรียนนี้เป็นวัตถะสงสารนะที่นี่ไม่อีกภูมิหนึ่งละเหนือโลกสามขึ้นไปท่านเรียกว่าโลกุตรภูมิทำได้นะถ้าอยากไป <c oughs> ต่อเมื่อให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วนะภาวนานี่มันมีสองอย่างหนึ่งสมถภาวนาเมื่อกี้เมื่อกี้ไปถึงสมถภาวนาจิตสมกในลูกชายแลลูกชายไปเกิดอยู่แค่นี้ต่อเมื่อเราอันอันสมถานีเพียงแต่ ได้ฌานได้สมาธิจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วเราเดินปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาอันหนึ่งภาวนาแบ่งออกเป็นสองนะทานศีลภาวนาภาวนาแบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งสมัชชาภาวนาสมถชชาภาวนาได้แค่ไปเกิดอยู่ภพมรรคตอนนิยมอย่างสูงวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาแปลว่ารู้แก่ มาลูแจ้งในกรมมาโลกลู่โลกอะลู่โลกมาคือลู่แจ้งซึ่งขันห้าแทงตลอดในขันห้าขันขั้นกรรมมาโลกลู่โลกอะลู่โลกแน่นปัชนาแปลว่าลูแจ้งลูแจ้งซึ่งขันห้าาว่ า, าไม่มีตัวตนสักหนึ่คล เกิดแล้วก็ดับขันหน้าเป็นอันนีจ้จำทุกครั้งอนัตตาจึงเบื่อหน่ายคายความยินดีในขันหน้าจึงดับขันห้าได้เมื่อดับขันห้าได้ก็จิตของเราก็หลุดพ้นจากโลกเข้าใจไหมล่ะฮะขันห้าก็คือโลกกา ม, มัโลกลูกโลกอันลูกโลกใช่ไหมล่ะ ก็หลุดพ้นจา ก, กโลกที่สามก็ไปโลกที่สี่คือโลกุุธละภูมิแม่งไงแม่หละนะี้ยเอเออ่าพากัรทํเอานะนี่แหละทางเดินเข้าสู่เพืนอนฝาวันนี้จะมาบอกกุสรานี่ยไม่ใช่สวยในคนตายนะโยมพ่อโยมแม่ทังหลาย ส่วนนี้คนเป็นนักอุตสลาธรรมารอุตสลาธรรมาพระยาดาดาธรรมาเมื่อเราสามารถมารู้เท่าอกทานขันหา้าเดี๋ยวนี้ที่เราไม่เกิดอยู่พวกนั้นพวกนี้เพราะว่าหลงขันหา้าอุปทานขั้นห้าอยู่หลงว่าขันห้านี่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนี่ใช่ไหม มีไหมหรืวไงฮะมีไหมไม่มีสัตว์บุคคลแล้ว ห, หรือมีอยู่ทางนั้นน่ะขันห้าเป็นเราใช่ไหมหรืวไงเราเป็นทันห้าใช่ไหมนี่เรามาเห็นขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเรามีในขันห้าจึงไปพันธุ์ผ่านไม่ได้ อยากจะไปได้ไหมอาจจะบอกฮะหรือเป็นห่วงหลานอยูอ่แค่เรื่องไว้แล้วกันนะถ้าฟังตัวใหญ่เอาเนือโลกสามก็คือโลกที่สี่เกิดจากวิปัสสนาภาวนามารู้แจ้งแทนตลอดนพระธรรมคำสอนของพระพทธิจ้าก็ดับคันห้าได้เข้าสู่พระนิพพาน แน่ง่ายๆไปทำคาสอนของพระเจ้าเขียนออกจากก้อนสกลกายกว้างสอบนี่ใช่ไหมเนี่ยก้างสอบใครนั่งอยู่นี่ของใครผู้ลองน่ะยาวว่านหนาคือแน่ประกอบด้วยทำไม่ใช่6อย่าง คือดินอะไรีน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหกอยา่างมาประชุกันท่านเรียกว่าก้อนธรรมนี่คำสอนของพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันสมมติออกจากนี้เขียนออกจากนี้ เข้าใจไหมล่ะทีนี้ฟังดีนะจะดับขันห้าได้ไม่แน่เลยโยมไม่เอาเรื่องหมอนล่อเราแค่เรื่องไรแล้วกันนะถ้าวันเทพเข้าใจ เ, เนี่ยก้อนธรรมชาติก้อนโยวเนี่ยมาสมมุติออกว่าดินน้ำลมไฟอากาศสมมุติว่าลูกทำได้ไหม สมมุตินะสมมุติว่ากายของเราสมมุติว่าลูกลูกคือธรรมไมช่ช่ห้าอย่างใช่ไหมล่ะเ้าใจไหมวิญญาณคือนามธรรมเนี่ยมาสมมุติเราได้ลูกธรรมนามธรรมสมมุติเป็นของจริงหรือไม่จริงฮะลูกเขารู้จักวป็นเขาเป็นธรรมไม่ใช่จริงจริงไหมอยู่ในฮะ มีแต่เอามันสมมุติออกใช่ไหมน้ำทังเนี่ยน้ำทังจริงจริงมีไหมโอ้โหกำลังจะรู้จักสมมุติแล้วมีโดยสมมติใช่ไหมถ้าถึงปรามาตธรรมก็คือทําไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะธรรมชาติหกอย่างไม่มีไม่มีไม่มีลูกทำน้ำทังก็สมมุติออกอย่างนี้เข้าใจไหมละ่ะกําลังจะรู้จักสมมติแล้ว สมมติว่ารูปทํานาทำทาสมมติว่าขันห้าได้ไหมนี่ท่านก็มาสมมติออกอย่างนี้นยเราก็เลยมาถือว่าขันห้างจรงิจริงใช่ไหมใช่ไหมนี่กําลังจะเข้าใจเรื่องนี้เลยถือว่าขันห้าจริงๆขันห้ามีจริงๆริงไหมไม่มีใช่ไหมท่างนั้นไม่รู้เรื่องเลยเข้าใจไหมล่ะนะ ขั้นห้จริงๆมียหมยมีโดยสมมติถ้าถึงขั้นปรมาจาธรรมคือธรรมชาติจะธรรมชาติไหมดินน้าลมไฟอากาศวิญญาณมาปะชุมกันเฉยๆเรียกว่าธรรมชาติฟังให้ดีแล้วยายไปได้บจะไปววานเลย <c oughs> นี่แหละธรรมชาติมารวมกันถึงขั้นปรมาตาธรรมคือธรรมชาติ ไม่มีรูกทำน้ำทำใช่ไหมรูกทำ<ช>น้ำทำสมมุติออกจากนี้ต่อไปเขาสมมุติว่าขันห้าขันห้าจริงๆก็ไม่มีขันห้ามีโดยสมมตุติใช่ไหมเอาใจเลยนะท่านต่อมาเขามาสมมุติว่าเราทับขันห้างลงมาอีกสมมุติว่าเราเราจริงๆริงมีไหมหอยู่ในฮะตอบเราจริงจริงมีไหม มีแต่เรามีโดยสมมติใช่ไหมละ่ะเอาเข้าใจแล้วที่มีแต่เราแค่ไหนจริงๆนะเฮ้ยเราไม่จริงๆไม่มีสัตบุคคลตัว ต, วตวนเราเขาในกายมีไหมไม่มีมีโดยสมมุติต้องรู้จักว่าโดยสมมุติถ้าโดยปรมาทธรรม ท, รทำไมชาติแล้วไม่มีใช่ไหมโอยดีใจด้วยแลย้วมาแค่นี้ก็ดีใจ เข้าใจเรื่องนี้มีโดยสมมุติขันห้ามีโดยสมมุติเรามีโดยสมมุติน่ายขึ้นมาแล้วทีนี้คนก็มาหลงว่าขันห้าเป็นเราเนี่ยแหละใช่ไหมละ่ะยืแต่คนนะฮะเราก็สมมุติใช่ไหมฮะใช่ไหมขันห้าก็สมมุติขันห้าเป็นเราไหมละ่ะ นะเป็นเราหมเดยเน่เราเป็นขันห้าไหมขันห้ามีอยในเราไห ม, ไมเรามีในขันห้าไห ม, ไมยอดยอดยอดยอดก็ละมิจฉาทิฐิละความเห็นผิดได้เท่านั้นเองอ่าแต่ก่อนเราก็มาอุปทานมายึดถือว่าเราเป็นขันห้านี่เองเข้าใจไหม ขั้นห้าเป็นเรานี่เองตอ่อเมื่อเราไม่มีอยู่ในขั้นห้าขั้นห้าไม่มีในอราเมื่อขั้นห้าเตลียเราใครตายฮะ <c ười> <c ười> เราตายเหรอ อ, อไม่ใช่เราตายลยใหญ่ยอยามาอุปทานนะ อขั้นห้ามาแตะเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในธรรมการเสื่ยงเสียร้ายมาลายสูญในที่สุดไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราใช่ไหมละ่ะเราก็คืนขั้นห้าให้กับธรรมชาติเสียจิตของเราก็เข้าสู่ไฟนิพภายจิตของเราก็ว่างสว่างผ่องใสนี่นี่น อัพยากตราจิาตจิตอยู่นอกอุปทานนอกบุญเนือบาปนอกรกระทำเนื้อสุขในสุขจริงเรียกอัพยากตราจิตจิตไม่มาอุปทานว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเรามีในขันห้าพูดดีดีเรามีไหมแหมมาเท่ขั้งเดียว ถ้าความเห็นสี่อย่างดับลงจำให้ดีนะอันหนึ่งเห็นว่าขันห้าเป็นเราเป็นเราไหมขันห้าขันห้าก็สมมติเราก็สมมติขันห้าไม่เป็นเรารับประกันแล้วนะรับประกันได้แล้วนะเดนะ้อรับประกันม เราเป็นขั้นห้าไหมเอ้าขันห้าก็สมมตุติเราก็สมมติไม่เป็นขันห้าเราไม่เป็นขั้นห้าเป็นเพียงสมมติมาเนี่ยขันห้าว่าเราเฉยๆใช่ไหมขั้นห้ามีอยู่ในเราไห ม, ไ ม, มเรามีในขั้นห้าไห ม, ไ ม, มเราก็ละสักยะทิฏฐิได้ละความเห็นผิดได้ละมิจฉาทิฏฐิได้ใช่ไหมละ่ะ แต่ก่อนเราเห็นว่าขั้นห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาเดี๋ยวนี้ขั้นห้าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเราเป็นเขาไหมน่ใช่ไหมล่ะขั้นห้าเป็นเราไหมเดี๋ยนีก็แสดงว่าเราละความเห็ผิดออกได้แล้วอ่าเน่ขั้นห้าก็สมมุติเราก็สมมุติ สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เป็นพียนสมุนนี่มันจะมาฆ่าที่เหล็กได้ถ้ากันห้านี่นีปัญญา น, ะนั้นยิบศาสนาภาวนาคือปัญญามานันมแย่งขึ้นขันห้ารู้แย่งหรื อ, อยังขันห้าเป็นเราไหม เ, ออเราเป็นขันห้าไหมขันห้าไม่อยู่ในเราไห ม, ไ ม, มเรามีอยู่ในขันห้าไหม เราก็ดับขั้นาหน้าออกจากจิตจากใจได้ดับเราออกได้ไหม <c oughs> ก็เรียกว่าเราละส ก, กายละคิฏฐิละความเมตนผิดได้ดับอวิชชาลงได้ลงว่าเรามีใช่ไหมวิชาเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิดับวิชชาทิฏฐิลงสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นง่ายไ่ไหทีนี้ เกิดขึ้นแล้วความเห็นถูกต้องเห็นถูกไม่ยังแม่ใหญ่เห็นถูกไม่ยัยเยงเราไม่แมเลยเนะี่ยโอ้ยอนุโมทนาสาธุเอาดังดังหน่อยเข้าใจแล้วเราไม่มีความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นนะทีนี้เราจะไปพิจารชาตินี้นะตาหู จมูกนิ้นกายใจสิ่งที่คู่กับตาคืออะไรฮะหูคู่กับตา ก, ก็คือรูปอย่างไรคู่กับหูคืออะไรเสียงคู่กับจมูกคือรูปเสียงเป็นรธิ์ปวดเข่าาธรรมนลมเป็นของคู่กันเมื่ออายตนะภายนอก ตาโมยจะมองดินกันจะเรียกว่าอยายตนะภายในลูกเสียงปริลดปวดต่อพระคืออยายตนะภายนอกเมื่อมันกระทบกันอืมวิญญาณมาลูขึ้นจะสาคัญตรงไหนเมื่อพระจักเกิดสาคัญหลงว่าเราเห็นลูกไหมนี่ฮะ เราเห็นรูปเราได้ยินเสียงใช่ไหมฮะฟังให้ออกมนะัตรงนี้แหละมันจะฆ่ากิเลสเราเห็นรูปใช่ไหมฮะเราได้ยินเสียงใช่ไหมเออไม่มีลูกกำนาำกายกับใจอาศัยกันเกิดใช่ไหมละ่ะไม่มีเราอยู่ในนั้นจึงไม่มีใครยินดี ยินลายเราก็ดับเย็นดียินลา ย, ลายเพราะไม่มีใครไปเห็นไม่มีใครได้ยินจริงไม่มีใครเพราะขันห้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลในขันห้าใช่ไหมละ่ะขันห้าทางานมัดเฉยๆเราก็ดับความโลภ ค, ความโกรธได้แต่กว่าแล้วหลว่าขันห้าเป็นเราใช่ไหมฮะ แจ้งได้นี่แหละปัญญารู้แจ้งซึ่งขันหันปัญญารู้แจ้งซึ่งสังขารคือยอดแขมวิชาใช่ไมล่ะสังขารก็คือดินงน้ำลมไฟอากาศวิยานมาผสมผงแดงกันขึ้นมีสัดบุคคลตัวตนไหมอ่านี่ปัญญารู่ชอบสังขารคือยอดแขมวิชาเราก็ดับ ขันห้าได้เดอ้อใหญ่เดอ้ออ่ะดับให้ได้เดอ้อเนี่ยเมื่อดับขันห้าได้ดับขันกลางโลกได้ขันรูปโลกและรูปโลกก็ดับเพราะมันอยู่ด้วยกันซ้อนอยู่ด้วยกันนี่ก็ใหญ่นะแหมจะบรรลุสลายน้อพันผ่านแฉเยอะ ถ้าราฟังพอสองสามครั้งนี้ได้ไปจริงจริงเท่านี้ยังสงสัยอยู่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่บางบางคนบางท่านเข้าใจนะเข้าใจาจริงจริงนะว่าไม่มีส ต, ตุขรตัวหนึ่งเมื่อตายเห็นรูปไม่ใช่ล้วเห็นอ่ารูปเสียง ก, ล, กงลิกก่นรสกดชพระธรรมลมสะพกกอบตาหูจมูกยินกใจยินญาณรู้ขึ้นเยียว่าขันห้าทา ง, งาน ชันห้าเกิดขึ้นตาหูจหมูกลิ้นกายใจก็คือกายในคือลูกภายในเข้าใจไหมละ่ะวิญญาณหูวิญญาณตาก็คือนามลูกกับน้ำอีกอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้ น, นนะไม่มีใครไปอุปทานนั้นห ว่าโดยย่ออุทานขั้นห้านั่นแหละคือทุกใช่ไหมละ่ะว่าโดยยออ่อดับอุปทานขั้นห้าได้แ ล, ล้วฮะดับทุกคือดับอุปทานขั้นห้านั่นเองถ้าใครหลงว่าขั้นห้านี้อยู่ในเราเรามีในขั้นหาเราเป็ น, น, น, ปนั้ห้าขั้นห้าเ็ราออกอุปทานเราขั้ น, นหา้นหาใ่ไ ม, ไมละ่ะ ถ้าใครรู้ว่าขันห้าไม่เป็นเราเราไม่เป็นขันห้าขันห้ามันทํา ง, งานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปเช่นนั้นเองเกิดทําอยู่ตลอดวันไดเห็นรูปไหมว่าเกิดดับเกิดดับผู้ใดเห็นเกิดดับก็เห็นอนิจจังสิ่งใดสิ่งมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมบัญชาก็าลงตาเห็นธรรมใช่ไหมละ่ะอ่าเนี่ย เกิเกเกเกดกเห็นเกิดเห้นดับก็ดวงตาเห็นธรรมเห็นอันนี้จังทุกครั้งอันนั้นตาจึงปล่อยวางขั้นห้าเข้าสู่ธรรมชาตแล้วเราก็จิตของเราก็ไม่ไปยึดมม่ถือมันปล่อยวางแล้วเข้าสู่พายในฐาน เออเอา น, นี้ก็พูดนี่ะเรียกว่าอภยกัะดายจิตจิตที่อยู่นอกธาตุใช่ไมนอกธาตุเนื้อขันอยู่เ น, นือ้อันห น, าน้าเรานจิตเราเนี่ยนอกสุขเนทุกตายลูกก็ไม่รั ก, มกไม่ังจมูกได้กินมนอกรักเนชั่ง น, นอกสุขเนืทุกนอกความรูม้นืความคิด จิตตรงนี้จึงเรียกว่าอพิญญาตาธรรมาวันนี้ได้มาพูดเรื่องกุศลาอกุศลาพระญากตาธรรมาให้เราท่านทั้งหลายฟังไม่ใช่มาพูดในโยมยายฟังคนเดียวกุศลานี่ก็คือมุลคุอุปุศลคือทางดำเนินเดินเข้าสู่ขั้นนี้ เดินได้ไหมเด็ม่จี้เนี่ยเข้าใจไหมฟังออกเลใช่ไหมนี่แหละทางเราเดินทานศีลภาวนาทานศีลก็ได้ไ ม, มนันสมบัติวัสดิ์สมบัติภาวนาก็ได้พรมสมบัติได้ภาวนามันแ บ, บ่งออกเป็นสองอย่างอันหนึ่งเรียกว่าสมัชชาภาวนาทางจิตสงบก็ได้ไปเกิดอยู่พรมโลก ลูกคงอายุคงสามแดนโลกธาตศเมื่อหมดอายุแล้วก็มาเรียนไหว้ได้เกิดแม่เจ็บแท้แน่นอนยังมีวัดจะสงสารเรียนไหว้ได้เกิดอยู่ให้มีที่สิ่งสุดเรายึงมาทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในวัฒธรรมคสอนของโอประเจ้า แพทย์พุดถ้าทำคำสอนของพระเจ้าเสียงออกจากก้านสกลกายกว้นอนศพยาวลายนั่นคือเนี่ยสมมุติออกจากนี่นี่แหละกว้านทําทําทั้งหลายคือกายกับใจนมาสมมุติย่อลงมาว่ากายกับใจกายกับใจเป็นสมมุติหรือเป็นจริงๆริงน ะ, ะสมมติว่ากายกับใจนี่สมมุตินะจริงสมมตินะ กายกับใจก็มีจริงๆรงอ่ารู้ ก, กับนามก็มีจริงๆ จ, จ, จริงโดยสมมติต่อมามาสมมติว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนเรามีจริงๆริงไหมอยู่เลยนี่นี่นี่นี่มัรู้แจ่แทนตลอดในพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่เรียกว่าวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ่มรู้แก่มซึ่งก้อนสกลกา ย, ยรู้แจ่ซึ่งพระธรรมคาสอนของพระเจ้าอ่าแล้วกว็ เบื่อหน่ายคายความยินดีในทบในภูมิต่างๆในขั้นห้าขั้นขั้นกลางมมาโลกลูกโ ล, ลกอารูุโ ล, ลกโลเห็นว่ามันเป็นอนิจจังรูกข้ามนักตาจีบของเราจึิงว่างฟองเท่าแกมใสนอกบุญนี้หลันอกสุนทุก ก็เข้าสู่พระนิพานเดอแม่จันสมยายจันสมดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศวันนี้